ก็จะมีญาติโยมนะหลายคนนะประมาณสักสองสามร้อยไปปลูกป่านะที่ผู้หลงเทศกาลปลูกป่าก็เริ่มตั้งแต่นะวันวิสาขะที่ผ่านมานะแล้วก็เริ่มมีการทยอยไปปลูกป่าที่ผู้หลงกันนะเป็นระยะระยะนะ อาทิตย์หน้าก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีอีกหลายกลุ่มตามมานะในเดือนต่อๆมาอันนี้ก็รือว่าเป็นกิจที่ควรทำน ะ, ะสำหรับเรียกว่าชาวโลกเลยก็ว่าได้นะไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธหรือว่าผู้ที่อยู่ป่าหรือาอาศัยป่าเท่านั้นนอกจากการฝึกจิตนะ หรือว่าการขัดเกลาวด้านในแล้วเนี่ยการทำงานภายนอก เ, เพื่อช่วยเหลส่วนรวมอันนี้ก็เป็นกิจของชาวพุทธนะเรียกย่อๆว่าทำจิตแล้วก็ทำกิจนะอย่างเรามาวัดเนี่ยเรามาเจริญสติทำสมาธิ บําเพ็ญภาวนาอันนี้เรียกว่าทำจิตซึ่งที่จริงเราก็ควรทำจิตนะไม่ใช่แต่เฉพาะที่นี่นะอยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ทำงานเจออะไรที่มากระทบไม่ถูกใจนะเช่นรถติดมีคนต่อว่าหรือเจ็บป่วยอันนี้ก็ต้องรู้จักทำจิตด้วยนะ ก็คือทำให้ใจเนี่ยมันสงบเย็นไม่ทุกข์ไม่ร้อนส่วนการทำกิจนะก็คือการาแก้ไขปัญหาจัดการกับเหตุปัจจัยภายนอกรวมรวมทั้งการทำประโยชน์ท่านท้าวพุทธาตนะคือกล่าวว่าชีวิตที่ดีเนี่ยคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นเพราะทำจิตนะ ส่วนเป็นประโยชน์ก็เพราะทำกิต น, นะสาระหรือในยานอีเดียวกันอันเดียวกั น, นถ้าเราทำจิตดีเราก็สงบเย็นไม่ว่าสิ่งแวดร้อมเนี่ยมันจะวุ่นวายแค่ไหนหรือแม้วา่าสุขภาพจะดีหรือไม่ใจก็สงบเย็นแต่ถ้าเราทำกิตถูกต้องนะมันก็เกิดประโยชน์ ต่าส่วนรวมทั้งสองประการนี้จะว่าไปก็เป็นคุณสมบัติของพระเจ้านะอย่างที่เราสวนมาสักครู่เนี่ยถ้าจับความได้เลยแต่เพราะว่าองคุณหรือที่เราพุทธคุณของพทะเจ้าเนี่ยเมื่อย่อแล้วเนี่ยเหลือแค่สองนก็คือปัญญาและกรุณาปัญญานี่เกิดจากการทำจิตนะทำจิตจนกระทั่ง ถ้าเห็นความจริงเห็นสัจธรรมของกายและใจและเห็นสัจธรรมของโลกนะตอนนี้พอเห็นพอมีปัญญานะก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวต่อไปความยึดมั่นในตัวกูก็ไม่เหลือกิเลสครอบงำไม่ได้ใจก็แผกกว้างเกิดกรุณานะอันไม่มีประมาณ เป็นกรุณาที่มุ่งจะทำประโยชน์เพื่อสรรพสัตว์นะไม่ได้มีประโยชน์ตนหลงเหลือแม้แต่น้อยนะนอกจากการยังชีพให้อยู่ได้เป็นปกติสุขเพื่อได้ทำกิจทำการงานต่างๆพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ ได้บรรลุธรรมนะแล้วก็เสด็จไปโปรดสัตวนะ์สั่งสอนเวินยสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยพระองค์ก็มีพระประสงค์นะหรือว่ามีความตั้งใจอย่างนี้ก็คือจะอยู่ป่านะจะประทับในป่านี้ตลอดชีวิตนะอันนี้พระองค์เคยสนทนากับพรามคนหนึ่งนะชื่อชาลุศนี เป็นการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องป่าทั้งนั้นเลยนะก็คือว่าชอนทุสนี้แกเป็นคนที่กลัวป่านะเพราะว่าป่านี่ในความรู้สึกของแกเนี่ยมันน่ากลัวมันเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนะแล้วก็เลยสนทนากันว่าอยู่ป่าอย่างไรเนี่ยมันจึงจะมีประโยชน์หรืออยู่ป่าไปทำไมแล้วพระองค์ก็เล่าว่าเนี่ยสมัยที่ พระองค์เนี่ยนะไปบำเพ็ญเพียรในป่าเนี่ยคือตั้งแต่สมัยนะทีอ่ออกบวชเนี่ยพระองค์ก็เคยกลัวป่านะกลัวป่าเวลามีเสียงสัตว์นะสัตว์ป่าไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยมาข้างเสียงนกยงูงพระองค์ก็กลัวกลัวนจนขนลูกชันเลย งั้นพวกเราเนี่ยที่มาป่าแล้วกลัวป่านี่ก็ธรรมดานะพระองค์ก็เคยประสบแต่ว่าพระองค์ก็มีวิธีนะก็คือเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นก็ให้รู้ความกลัวนั้นก็รู้ว่าเรากลัวหนอแล้วนะความกลัวก็ดับไปอีกวิธีหนึ่งที่ทรงใช้คือว่าเวลาเดินตรงกลมแล้วกลัวก็เดินไปเรื่อยๆจนหายกลัว จะไม่เปลี่ยนอิเลียบทีนะ่ว่ากลัวในอิเลียบทไหนก็อยู่ในอิเลียบทนั้นจนหายกลัวนั่งแล้วกลัวก็จะนั่งนจนหายกลัวอันนี้ก็รวมถึงว่ากลัวตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนจนหายกลัวเสร็จแล้วพระองค์ก็กล่าวต่อไปว่าเนี่ยชาญุศรนี้เนี่ยคงจะคิดว่าที่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยพระองค์ก็ยังอยู่ป่านะประทับอยู่ในป่าเนี่ย คงพอคิดว่าพรงคนี่ยังไม่ได้ปลอดจากความโลกความตรวจความหลงนะจึงมาอยู่ป่าอันสงบสงัดนะคล้ายว่าอยู่ป่าเพื่อมาฝึกตนนั่นแหละนะชาวทศนิอาจจะเข้าใจอย่างนั้นแต่พระองค์กติบายนี่นะพ้นทุกข์แล้วนะราคาโทสะมโมหะนี่ไม่อาจจะครอบงำได้แต่ที่อยู่ป่าก็เพราะว่าและที่อยู่ป่าและตั้งใจจะอยู่ อยู่ประทับอยู่ในป่าตลอดชีวิตก็เพราะว่าข้อแรกเนี่ยนะทรงประทับในป่าที่สงบสงัดแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขในปัจจุบันนะเรียกว่าทิฏฐธรรมะทิฏฐธรรมวิหารนะก็คือว่าเป็นสุขในปัจจุบันทิฏฐธรรมะสุขวิหารเป็นสุขในปัจจุบัน ประการที่สองคือเพื่อเป็นแบบอย่างนะให้กับอนุชนรุ่นหลังจะได้จเจริญรอยตามอนุชนรุ่นหลังนี้ก็โดยเฉพาะพระสงฆ์นะไม่ว่าจะภิกษุรหรือภิกษุณนะีในเรื่องการการอยู่ป่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นเป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชนนะ ในเรื่องของการบาเพ็ญภาวนาได้เป็นอย่างดีช่วยการทำกิจเนี่ยจะเลยงอกงามนะแต่สมัยนี้เนี่ยจะทำจิตเพียงแค่อยู่ในป่าคงไม่พอนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมัน ม, มีใครมาทำลายป่านะมีแต่จะใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะอื่นนะเช่นเก็บผลไม้เก็บยา สมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราไม่มีเทคโนโลยีมากที่จะทําลายป่าได้มีแค่ขวานมีแค่เลื่อยเนี่ยสมัยก่อนป่านี่มันก็เป็นร้อยๆ ล, ล้านไร่เนี่ยทํำยังไงก็ไม่สามารถทําให้ป่าหดหายได้มากแต่เดี๋ยวนี้คนเรามีความสามารถในการทําลายป่าได้สูงมากป่าการทําลายป่านี่กลายเป็นปัญหาสําคัญ นะของคนยุปัจจุบันป่ามันหดหายไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเพียงแค่อาศัยป่าเพื่อทำจิตนะมันไม่พอนะมันก็มีการทำกิจเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงคือการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าขึ้นมาอันนี้มันเป็นกิจใหม่นะของของของชาวพุทธก็ว่าไดนะ้แต่ก่อนก็มีแต่สิกขาบทหรือวินัยนะว่าห้าม พระเนี่ยไปพระพุตคามก็คือว่าทําลายของเขียวเช่นตัดต้นไม้นะหรือว่าไปตัดกิ่งไม้เนี่ยก็เท่านั้นแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเรามนุษย์เราทําได้มากกว่า น, นั้นทําลายได้มากกว่า น, นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาป่าการฟื้นฟูป่าเป็นเรื่องสําคัญ ในด้านหนึ่งก็เพื่อประโยชน์คนรุ่นหลังนะในด้านหนึ่งก็เพื่อประโยชน์ปัจจุบันด้วยนะประโยชน์อย่างไรนะนะนะมีป่าเนี่ยนะมันก็ทำให้มีน้ำมีอาหารนะมีปัจจัยสี่เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยปัจจัยเสียงคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังต้องอาศัยธรรมชาติโดยเฉพาะป่า ถึงแม้ทุกวันนี้จะมีการสังเคราะห์นะมีพลาสติกนะมาแทนไมนะ้แต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยวัตถุ ด, ดิบนะที่ทําพลาสติกมันก็มาจากธรรมชาตินะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับป่าโดยตรงก็ตามแต่ก็เกี่ยวข้องโดย อ, อ้อมความสำคัญเนี่ยนะของป่าเนี่ยนะเยเพราะการให้น้ำการให้อากาศนี่สำคัญนะ เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตมาไปสัมมนาที่ประเทศนอร์เวย์พู้จัดสัมมนาเนี่ยคือรัฐบาลนอร์เวย์นะโดยกระทรวงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะก็มีกระทรวงนี้เลยนะทั้งที่นอร์เวย์เป็นประเทศเล็กเนี่ยคนห้าล้านคนแต่เขารู้สึกว่าเรื่องภูมิอากาศโลกเป็นเรื่องสำคัญนะจะต้องมีกระทรวงที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงนะ ในขณะที่อเมริกาเป็นประเทศใหญ่เนี่ยตอนนี้ไม่สนใจแล้วเรื่องโลกร้อนแต่นอร์เวเนี่ก็สนใจแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาของสหประชาชาติ UNDP เนี่ยนะจัดสัมมนาเขาเน้นจอดตรงเลยน ะ, ะผู้นำศาสนาเพราะวัตถุประสงค์คือต้องการให้มาช่วยกัน รักษาป่าฝนนะหรือเลนฟอเรสต์เนี่ยป่าฝนตอนนี้มันกนลาลังถูกคุกคามมากนะปีหนึ่งเนี่ยหดหายไปพื้นที่มหาศาลนะันเท่ากับประเทศออสเตรียประเทศออสเตรียมันก็ใหญ่นะหายไปทุกปีทุกปีนะพื้นที่นะพื้นที่ป่าขนาดเท่าออสเตรียหายไปทุกปีทุกปีเพราะการทำลายป่าเพื่อทำพื้นที่เกษตรเพื่อปลูกธัญพืชเช่นข้าวโพด หรือว่าถูดเลื้องหรือว่าปาล์มเนี่ยอันนี้เขาเห็นว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งต่อไปทำให้ปัญหาโลกร้อนนี่ลุกลามมากขึ้นเขาก็เลยจัดประชุมนะตาอมาก็ได้รับนิมนต์ไปด้วยก็ได้ไปฟังการบรรยายนะของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะ เป็นคนในลาตินอเมริกาทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องป่าอเมซอนเขาเคยได้ยินนะคนเฒ่าคนแก่หรือว่าชนพื้นเมืองบอกว่ามีป่า ก, ก็มีฝนเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่านะจนั้นก็ศึกษาเนี่ยศึกษามาเป็นส0ปีนะแล้วก็ทั้งภาคพื้นดินแล้วก็บนฟ้าเนี่ยใช้เครื่องบินแล้วก็เขาก็พบในที่สุดว่า สิ่งที่พูกัมานานว่าป่ามีป่าทให้มีฝนเนี่ยนะมันจริงแต่ก่อนก็พูดแต่ไม่มีหลักฐานแล้วก็พูดแต่เพียงว่าความชื้นในป่ามันเรียกฝนมานะแต่ว่ามันไม่มีคำอธิบายที่ดีไปกว่า น, นั้นแล้ว ก, ก็พบว่าโอ้ใช่เลยนะคือป่าเนี่ยนะคือเวลาฝนนี่มันจะตกไม่ได้นมันต้องเกาะกับพวกฝุนละออง ฝุ่นละอองที่อยู่บนฟ้าในอากาศไม่งั้นเนี่ยละอองน้ำเนี่ยมันมันตกมาเป็นเม็ดฝนไม่ได้แต่คราวนี้เหนือป่าเนี่ยนะเหนือป่าอเมซอนเนี่ยมันไม่มีฝุ่นเลยแล้วฝนตกได้ยงไงเขาก็พบว่าป่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันปล่อยพวกก๊าซต่างๆรวนทั้งกลิ่นนะกลิ่นของดอกไม้เนี่ยมันก็มีพวก สาเล็ก ๆ, น, ๆน้อยๆเนี่ยลอยฟุ้งอยู่เหนืออยู่เหนือป่าไอา้พวกนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ละอองน้ำมาเกาะแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนนะเขาเรียกว่าฝนมหาศจันนะ pixie dust นะุูดมหาศจันมันทำให้ฝนตกมาเรื่อยๆนะในป่าอเมซอนแล้วก็ในป่าทั้งหลายและที่น่าถึงอย่างหนึ่งคือเขาพบว่าป่าเนี่ยนะมันทาให้เกิดอ่า แม่น้ำนะไม่ใช่แม่น้ํานะ่ะบนดินอย่างเดียวนะมันมีแม่น้ําบนฟ้าด้วยเรว่อแม่น้ําลอยฟ้าฝ่ายอิงหรือเวอร์ขาอวิจั ย, จยเฉพบว่าเนี่ยมันจะมีอละอองน้ําเนี่ยจับล อ, องน้ํานี่เป็นสายเลยนะอยู่เหนือป่าแล้วก็เคลื่อนไปตามที่ต่างๆที่ทําให้เกิดความชุ่มชืน้นน้ํานี่ละอองน้ำนี่มันหนามากนะจ้วงท่านก็เรียกเป็นแม่น้ําได้ที่มันอยู่บนฟ้านะ มีป่าเนี่ยมันทำให้เกิดความชุ่มชืน้นทั้งเกิดฝนในในแนวดิ่งแล้วเกิดเกิดความชุ่มชื้นในแนวราบเนี่ยอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าป่านี่มันทำให้เกิดทรัพยากรต่างๆมากมายนะและที่สำคัญคือป่านี่มันตัว ด, ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ก็บอกว่าเนี่ยถ้าป่าเนี่ยนะถ้ารับถ้าหยุดดังการทำลายป่าใียแต่วันนี้แล้วก็ทำให้ป่าที่เสื่อมโทรมมันดีขึ้นนะ ไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มันทําให้เกิดโรคร้อนเนี่ยมันจะหายไปทันทีเลยนะสามสิบเปอร์เซนสสิเปอร์เซ็นตเพราะว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเราเผามันนะมันก็เกิดก๊าซถ้าราหยุดเผาเนี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลดลงและต้นไม้เนี่ยมันดูดออกซิดมันดูดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเปลี่ยนเป็นออกซิเจนด้วยนะัวันนี้ก็มีปัญหาว่าเนี่ยเราจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรคิด เทคโนโลยีต่างๆมากมายแม้กระทั่งการเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะแล้วก็เอาไปปล่อยในในอนอกโลกนะคิดกันถึงขนาดนั้นนะแต่วิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือการรักษาป่าและการปลูกป่านะซึ่งมันจะเป็นการช่วยโลกได้มากการอนุรักษ์ป่าเนี่ยนะหรือการพื้นฟูป่าเนี่ย อย่าที่บอกไว้แล้วนะว่ามันเป็นหน้าที่ของชาวโลกและด้ยพ้องชาวพุทธนะเพราะว่าชาวพุทธนี่เราเป็นนี่เป็นคนป่ามากมีป่าเนี่ยนะจึงมีพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาจึงย่งยืนตกทอดมาจนถึงเราทุกวันนี้ได้พรนะพุทธเจ้านีนประโสดก็ใต้ต้นไม้ตัดสรู้เนี่ยก็ใต้ต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติที่ลมลื่น ตอนที่พรเจ้าเนี่ยประทับอยู่ใต้ต้นโพเนี่ยเพื่อจะบาเพเงินัวทั้งตัสสรุในในวันวิสาขาบูชาเนี่ยสิบห้าคเดือน6กเนี่ยพระองค์เลือกตรงนั้นเพราะมันเป็นที่ที่มีธรรมชาติร่มรื่นนะพระองค์ตัดนะกับพระสาวกในภายหลังว่าพอเห็นตรงนั้นเนี่ยนะตรงริมฝั่งแม่น้ำโ น, นรัญชลาเนี่ยพระองค์ก็พบว่าเนี่ยสถานีสถานที่นี้เป็นที่รมณี มีภัรส่วนร่มรื่นน่าชื่นบานนะมีแม่น้ํไหลผ่านนะน้ํไหลยเย็นนะน่าชื่นใจนะมีฝั่งน้ามีท่าน้ํนะมีโคจรคามแล้วพระองค์ก็ตัว่าเนี่ยสถานที่นี้เป็นที่รมณีหนอเหมาะกับการบาเพ็ญเพียรแล้วพระองค์ก็เลยปรงใจว่าเนี่ยก็จะขอทำความเพียรตรงนี้แหละแล้วก็ประทับต้ยตนโพ แล้วก็บรรลุธรรมในคืนนั้นเลยก่อนสว่างเพราะนั้นเนี่ยการบรรลุธรรมพุจา้าเนี่ยธรรมชาติความร่มรื่นสถานที่รมณีเนี่ยไงจึงมีความสำคัญสมเด็จพระตถาคตศาสตจารย์เนี่ยถึงกับพูดว่าเนี่ยที่รมณีเนี่ยคือที่เริ่มต้นของพุทธศาสนานแล้วก็เมื่อพงตัดสรตลุนแล้วก็อย่างที่บอกนะ หลวงก็ตั้งใจว่าจะประทับอยู่ในป่าตลอดชีวิตนะก็ใช้ป่านี่นะนะเป็นที่สอนธรรมทำให้เกิดพระอาหารหันต์มากมายหลายท่านนะเข้าไปในป่าแล้วก็เกิดความสงบรู้สึกร่มเย็นนะเกิดความสุขอยากจะบำเพ็ญภาวนากำจัดอวิชชาให้หมดไปนะเพราะนั้นเนี่ยนะป่านี่มันมีประโยชน์นะทั้งกับในกับร่างกายของเรานะน้ำอาหารอากาศ แล้วก็มีประยน ต, ต่อจิตใจโดยเฉพาะชาวพุทธนะซึ่งได้ประโยนจากป่าโดยอ้อมแล้วก็โดยตรงนะโดยอ้อมก็เช่นที่ได้รับรู้ธรรมะจากพุทธเจ้านำมาใช้ในการดาเนินชีวิตหรือว่าได้รับฟังธรรมะจากพระสงฆ์สาวกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วก็เกิดศรัทธานำมานามาปรับปรุงพัฒนาชีวิตจิตใจให้ใหมีความสุขคลายจากความทุกข์อันนี้เรียกว่า ได้เปลี่ยน์โดยอ้อมนะได้ประ่ยชน์โดยตรงก็คือเนี่ยมาเข้ามาในป่าแล้วก็บําเทาภาวนาอย่างพวกเราเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อจิตใจโดยตรงเนพะราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าป่าเนี่ยจะไม่ใช่ของเราจะเป็นของใครก็แล้วแต่นะก็ควรรักษาเอาไว้นะแล้วนี่ก็เป็นหน้าที่ของวัตถุศาสนาก็ว่าได้อย่างการปประชุมนอร์เวย์นี่นะเขาก็ต่อตรงนะ เรื่องป่าฝนในเขตอเมซอนแล้วก็ในประเทศแอฟริกาเนี่ยเพิ่งรู้นะไปจนถึงรู้ว่าแอฟริกาเนี่ยมันมีป่าฝนใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับสองรองจากอเมซอน <c oughs> เวลเานราคิดถึงแอฟริกาเราก็นึกถึงทะเลทรายหรือไม่ก็ทุ่งหญ้าสวรรณ น, นาแต่ที่จริงมีป่าฝนที่ใหญ่มากเลยนะอยู่ในคองโกเนี่ยอันดับสองรองจาก อเมซอนนะอิโนโดนีเซียเนี่ยซึ่งมีป่าฝนเยอะนะก็ยังถือว่าเล็กน้อยนะเมือ่อเที่บกับคองโกพม่าเนี่ยก็มีป่าเยอะนะแต่ก็ยังเล็กน้อยนะแล้วก็ผู้นำาศาสนาโดยเฉพาะในประเทศเหล่านะั้นแหะอเมซอนคองโกเนี่ยาศาสนาคริสต์นะแล้วก็แม้กระทั่งชนพื้นเมืองนะที่อยู่อาศัยป่าเนี่ยก็มามาระดมความคิดนะแล้วก็มาสร้างเป็นเครือข่าย เพื่อที่จะช่วยกันรักษาป่าชาพุทธก็มาร่วมในการสั ม, มนานี้บ้างนะแต่ไม่มากเพราะว่า อ, อย่างที่บอกนะป่าฝนที่มันเป็นหัวใจสำคัญเนี่ยของภูมิอากาศระดับโลกเนี่ยมันมีสองที่นะสามที่ อ, อเมซอนนะาตินอเมริกาแล้วก็แอฟริกาแล้วก็ อินโดนีเซียนะแต่ถึงแม้มืองไทยเราจะมีป่าฝนไม่มากนะหรือว่ายังในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับระดับโลกนะแต่ว่ามันก็มีความสำคัญนะความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือไม่พุทธนะไม่ว่าจะเห็นถึงประโยชน์ของมันหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าการช่วยกัรรักษาป่าฝนนะทั้งในเมืองไทยหรือว่าในที่ต่างๆเนี่ย นี่เป็นเป็นการทำกิจที่สำคัญนะที่เราต้องอระดมกำลังช่วยกันอย่าเปนึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่จริงมันใกล้ตัวมากเรื่องโลกร้อนเนี่ยถึงแม้ว่าภัยมันยังเห็นไม่ชัดนะแต่มันก็แสดงตัวให้เรารับรู้ได้ฤ ด, ดูที่แปรปรวนนะฝนที่ตกผิดต้องไม่ตกต้องตามฤดูกาลความแห้งแล้ง นะโลกระบาด ท, นะที่เดี๋ยวนี้มีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นไอ้พวกนิสตกรรมมันถูกเก็บไว้ไว้ไวในป่านะมันไม่ออกมาเพ่นผ่านแต่พอทําทลายป่าไอ้โรคพวกนี้มันก็ออกมาอารวาสนะเหมือนกับที่าเรียกผีป่านเนี่ยพอทําลายป่าผีป่ามันก็เข้ามาสู่เมืองเนี่ยอันนี้เป็นสำนวนคนโบราณนะแต่ที่จริงก็มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหมือนกันวันนั้นเนี่ย นอกจากการทําจิตนะฝึกจิตของเราให้สงบร่มเย็นแล้วนี่ก็ต้องช่วยกันทําให้โลกเนี่ยมันร่มเย็นนะด้วยต้นไม้ด้วยโลกร่มเย็นด้วยต้นไม้นะส่วนใจก็ร่มเย็นด้วยธรรมะและธรรมะกับต้นไม้หรือป่านี่มันก็เป็นเกลือกันนะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดว่าเนี่ยธรรมะเนี่ยนะ มันก็ไม่ได้หนีห่างไปจากธรรมชาติเนี่ยธรรมะคือตัวธรรมชาตินั่นเองนะไม่ได้หนีห่างไปจากธรรมชาติเลยนถ้าเรารู้จักสังเกตรธรรมชาติเราก็จะก็จะเห็นธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้น่ารักชานี้ก็เพื่อท